ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวทาิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอธรรมธายาตสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณานซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นโดยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเอง คือมีพระประสงค์จะเน้นย้ำให้ตระหนักว่าในพระศาสนาเนี่ยการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลแห่งธรรมะตลอดตั้งการเผยแผ่และดูแลรักษาพระศาสนานั้นมีความสำคัญส่วนผลประโยชน์ต่างๆนั้นเป็นสมบัติของโลกเป็นเรื่องพลอยได้ เราจำเป็นต้องมีในฐานะที่เป็นปัจเจ sĩ แต่ก็ไม่ควรจะให้ความสำคัญตอนนี้สืบเนื่องมาจากยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยคนแห่แห่มาคารบน้ำถือเทอิดทูนพระพุทธเจ้าเรานึกภาพว่าพระห้าร้อยรูปชาวบ้านถวายพัรหาร พระสารอิ่มเหลือพวกกินเดนเป็นร้อยๆท่านบอกว่าประมาณห้าร้อยเหมั้นกันมากินแล้วยังเหลืออีกดูว่าคนที่มาทำบุญนจจะขนาดไหนแต่พระพุทธเยาก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามปรามเรื่องเหล่านั้นได้มัก็นิยามให้พระได้ถนัด ถึงแม้จ ะ, จะเจริญด้วยลาบสกสาระและชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการทําความดีไม่ควรจะหลงไหลได้ปลื้มกับในโล ก, กวัตถุเหล่านั้นพอได้มาต้องเสียไปเป็นการครอบครองที่ยังไงเราก็ครอบครองไม่ได้เราไปอย่างที่เรามาและเราก็มาอย่างที่เราไป กานที่ท่านย้ำเตือนเอาไว้นะว่าเมือเ่อจะมามีอะไรไมาด้วยเจ้าจะจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนจะมามือเปล่าจาจะเอาอะไรก็ไปมือเปล่ามันจะมานั่นคือแก่นแท้ของชีวิตที่ทุกคนจะต้องสนับเน่ตอนนี้ก็ได้นำถึงความเป็นธรรมทายาธที่ควรงดเว้นคือข้อที่ควรงดเว้นวั น, ว, นวันก่อนก็ได้พูดถึงข้อที่ควรประพฤติปฏิบัต เป็นธรรมะที่ตามปกติเราไม่เคยคุ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มธรรมในที่บางแห่งเนี่ยแสดงไว้สิบหกข้อบางแห่งแสดงไว้สิบสี่ข้อเรียกว่าอุปกิเลสเพงฟังคงคุ้นเคยกับข้อความที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าลูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ปพัดสอนแต่จิตนี้เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลส ท, ที่จอนมาคำว่าอุปกิเลสเหล่านี้คือกิเลสพวกนี้มันเป็นเจตสิกธรรมซึ่งเกิดขึ้นปรุงจิตแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตให้มีลักษณะอาการตามที่เขาเป็นเบื้องก่อนก็ได้พูดมาถึงข้อมารยาหรือมายา ที่แปลว่าเป็นเจ้าเล่ห์เสแสร้งด้วยประการต่างๆเป็นอาการของความโลภจนถึงก็ลวงต้องการจะได้ลาบประยศได้สันเสริญจากคนอื่นแต่ก็ทำความดีไม่เป็นเลยใช้วิธีโ อ, อวดด้ยวิธีการต่างๆ เป็นมายาเป็นมารยาสังคมเองก็ถูกกระแสพัดผ่าแล้วทำให้ลหลงไหลได้ปลื้มกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะรวงโลกก็ได้นานๆบางคนจะตายไปนะฮะคนยังไม่รู้เขาหลวงดูปเกเลตแต่ละข้อนี่น่าดูโดยเฉพาะมารยาเนี่ยบทเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเหมือนพระอราหารันต์ สงบสงเสงียมเรียบร้อยสวยงามนิ่งเย็นเพราะเป็นการเสียสงแบบนายพรานที่ซุ่มเพื่อจะฆ่าสัตว์สงบเย็นนิ่งบางทีก็ออกมาในรูปของการเคร่งครัดจนเกิดเหตุเกินผลไป รัตฐ า, าจารย์ได้เล่าถึงดาบทคนหนึ่งก็ไปรับพัตตาหารที่บ้านของนายพรานคนหนึ่งนายพรานก็ขายเนื้อได้เงินได้ทองมาเยอะก็กลัวโจรจะปล้นก็เห็นว่าท่านดาบทเคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรม ด, ดีคุณเคยกับมานานก็เอาเงินเหล่านั้นไปฝากไว้ รดยขุดหลุงฝังไว้ใต้กุฏิของท่านนักบวทเห็นเงินมากขึ้นมากขึ้นเขาเกิดโลภอยากได้เสียงในขณะที่ท่านอยากได้นี่ท่านเคร่งมากเคร่งจนนายพรานนี่ตื่นเต้นยังไม่เคยพบนักบวชที่เคร่งขนาดนี้ต่อมาวันหนึ่งท่านไปรับอาหารที่บ้านของนายพราน แล้วตอนที่ลอดประตูบ้านออกมาเนี่ยไอ้แฝกที่มุงหลังคาบ้านเนี่ยมันติดชะดาท่านมาชิ้นหนึ่งท่านมาถึงอาศมแล้วนะอย่างเอากลับไปคืนบอกว่ากลัวจะเป็นอัินาทานแฝกที่หลังคาของท่านเนี่ยติดชะดาของขพระเจ้าไปนายพรานก็ตื่นเต้นใหญ่ แล้คุณเจ้าของเราเนี่ยท่านเคร่งครัดละเอียดอ่อนและเมียดละไมถ้าเกินรังเกียจแม้แต่เรื่องขนาดนี้พอดีพระโพธิสัตว์ท่านนั่งอยู่ที่นั่นพระวสสท่านมองเห็นมันเกินไปเวอเลยก็สอบถามความเป็นมาทั้งหมดแล้วท่านก็ถามว่าคุณมีสมบัติอะไรที่อยู่กับราบุตท่านนี้บ้าง ไอ้พรานก็ล่าออฟังบอกคุณรีบไปอะฉลอยดาบทกำลังจะขุดทรัพย์คุณเตรียมจะหนีเพราะวันนี้เคร่งเกินเหตุไปไอ้พรานก็รีบไปนะฮะไปถึงก็เจอกำลังขุดอยู่พอดียังไม่ได้ไอ้คนนี้มันมีคู่โลกนะฮะพวกมารลยามายาเสือแสงเนี่ย คนซึ่งขาดความลึกซึ้งขาดการสังเกตพิจารณาเทียบเคียงเนี่ยจะหลงไปกับการประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างนั้นแต่พวกนี้บางทีมีหน้ามานะฮะอยู่ในสื่อต่างๆคอยเขียนเชี่ยวคอยยกย่องคอยสร้างข่าวอยู่ในข่าวสังคมบ้างอยู่ในบทความบ้างอยู่ในข่าวประจำวันบ้าง แล้วก็คนบ ร, รับข่าวก็ตื่นเต้นหลอกได้ตลอดนะฮะสังคมนี่หลอกได้ตลอดเรื่องมารยาการการต่อไปคือสาเยะมันก็สืบเนื่องมาจากมารยาแบบเดียวกันเป็นอาการของความโลภที่ลงทุนน้อยคือไม่ต้องลงทุนแต่ใช้การโอเวอร์ถ้าเราสังเกตแม้ใน เรื่องของศาสนาบางเรื่องเนี่ยมีขั้นนการจัดตั้งนะมีลูกศิษย์เที่ยวกระจายไปในที่ต่างๆไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เยินยุเยินยอยกย่องโอ้เลิดลอยเรานึกว่าเป็นพระอระหันต์บางคนแม้แต่ตายไปแล้วนะเราไปอ่านงงเลยพลิกไปดูอ้าวท่านนี้เอง งานเหมือนกับประวัติพระอาหารหันต์นั่นคือแสดงว่าบางทีมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในช่วยกันอยเช่นว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยต้องการจะทำหนังสือพิมพ์เขาก็ไปตกลงกับพวกจัดทัวร์แล้วนาไปไหว้พระอาหารหันต์พระอริยะพระเก จ, จิอาจารย์ดงังวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นไปไหว้พระกัน ไปพา ล, ล้วก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ตัวเองก็เขียนเพื่อแสวงหาพวกคนก็มาทั่วมากตัวเองก็ได้เงินมากแล้วขายหนังสือต่ อ, อทางวัดก็ได้ก็ลกลายเป็นกระบวนที่หากินกันแต่สรุปแล้วว่าปัญหาเหล่านี้ก็คอขอนะฮะหรือพูดไปก็ขัดคอคนเพราะฉะัสาเธอยะนี่ก็คือว่า มีลักษณะเฉพาะคือชอบเปิดเผยคุณที่ตนเองไม่มีก็คืออวดดีนั่นเองแต่ว่าตัวเองไม่มีเดียกะตีไทยเราก็มีคำอยู่บทกลอนอบทหนึ่งว่าอวดดีไม่มีดีจะอวดเขาว่าชว่วบอกสลูดูหน้าคันเขาว่าไก่ไพรว่าเป็ดเท็ ด, ดช่างมัน ดาวตะบันทั้งที่สูไม่รู้เลยเพราะนวเหล่านี้เราจะออกมาจากการกระทําจากการพูดจากสื่อสารต่างๆอันนี้เป็นกระบวนจารตั้งเลยนะฮะเป็นกระบวนจะตั้งเล ย, นะเเลยแล้วคนจะไม่คิดเพราะในโอกวดเนี่ยคนรับสารจะรู้สึกตัวเองจะได้เพราะฉะพอได้เนี่ยความโลภเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทรัก อย่างที่ท่านบอกว่าความรักเหมือนโลคาบันดาลตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักมันโคตรถึกกำลังคึกไปขังไว้ก็จะออกจะคอกไปไปยอมอยู่ณที่ขังพอวันจิตมันมันเกิดโลภแล้วเนี่ยมันจะมองเฉพาะสิ่งที่ตัวเองจะได้จะไม่มีมองปัญหาอุปสรรคต่าง แค่การดักสัตว์เราสังเกตว่าเหยื่อจะเป็นตัวล่อสัตว์จะไม่มองตัวอื่นจะมองที่เหยื่อแล้วก็รีดเข้าไปหาเหยื่อแล้วก็ติดขับติดเบ็ดติดหลุมติดเหล็กต่างๆเหลาเหล็กอะไรต่างๆที่เขาดักไว้เนะครคือถ้าเรามองภาพเหล่านี้เราจะเห็นว่าสัตว์โลกก็จะพ่ายแพ้ต่อวิธีการมารยากับโหอวดเยอะ เพราะาภาพมันสวยก็บอกว่ามีห น, น้าที่คือการประมวลมาซึ่งคุณที่ตนเองไม่มีเหล่านั้นแหละผลที่ปรากฏออกมาคือการทำคุณที่ตนเองไม่มีเหล่านั้นให้ปรากฏออกมาโดยอาการทางกายและทางวาจาคนไม่เคยมีใครพิสูจน์หรอก และบางครั้งนี่ไม่ได้ถามว่าตัวเองได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนายกอวดว่าผมไม่กินข้าเย็นผมรักษาสินแปลผมมีครอบครัวแต่ไม่หลับนอนด้วยกันโอ้คนตื่นเต้นตื่นเ ต, นต้นใหญ่นึกจะเป็นพระริยะมาจากสวงสวรรค์ไปแล้ว โดยคนลืมคิดไปว่าคนรักษาศีลแปดตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในโลกแล้วเขาไม่กินข้าวเย็นเขาไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่ากินข้าวเย็นน่ะผิดศีลข้อที่หกมีเพศสัมพันธ์น่ะผิดศีลข้อที่สามเขามีมาตั้งแต่โบราณโลกแล้วเพียงแต่ว่าคนที่มีศีลเนี่ยความโลภมันลดโมหะมันลด เขาก็ไม่โลภอยากได้ในทางผิดอย่างนั้นเขาจึงไม่บอกใครในเบ็ดวงของสังคมไทยเนี่ยถ้าเรามองผู้ใหญ่หน่อยให้มองสังเกตเถอะว่าคนจะไม่พูดเรื่องกินจะไม่พูดเรื่องเพศเขาเรียกว่ากรรมที่ต้องทำในที่ลับปลีละนี้พูดกันระเจอไปเจอพูดหน้าตาหน้าเฉยตเฉยเลยพูดออกโทรทัศน์เลยเรียนในชั้นเรียนเลย นะเรียกสึโก้นะฮะเรียกว่าเพศศึกษาแล้วบทุกทา่าก็สร้างปัญหา็มบัาดในเมเืองตอนมารายาสาเถยะเนี่ยเป็นเสียแซงโอวดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำผ้าทำผ้าที่เป็นผเสาอะนะฮะที่เรียกจตุสดมคือสีเสา ระบบการศึกษาจะเรียกจตุส dom ก็คือเสาสี่เสาเป็นพุทธที่ศึกษาเป็นหัตถศึกษาเป็นพระละศึกษาเป็นจริยศึกษาวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่รู้เป็นอะไรไปและปฏิรูปจนบางแห่งเป็นปฏิกูลไปละเพลิธรรมภาจึงมีลักษณะเฉพาะคือความที่จิตมันพยอง แล้วก็กระด้างไม่มีความยำเกรงพอปรากฏออกมาข้างนอกเนี่ยคือดื้อดึงดื้อ ด, ดันดื้อดานเขาบอกว่าไม่ไปจะไปเขาไม่ทำจะทำคอยไปทางหนึ่งอจะไปทางหนึ่งวกหัวดือ้อนก็เรียกว่าทำพะบันทีท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับแมว มีผู้ใหญ่ท่านสังเกตไหมท่านเลี้ยงแมวแล้วท่านสังเกตไหมก็เคยทดลองดูนะคืออ่านหนังสือท่านลองทดลองดูเออจริงฮนะคือแมวเนี่ยถ้าแกกําลังเดินเนี่ยเราไปลากที่หัวแกให้เดินเนี่ยแกไม่ไปอ่ะก็จะถอยหลังทีนี้พอแกถอยหลังเราจับหางลากมาเนี่ยแกจะตะกุยไปข้างหน้าหลนะอ่พอเราดึงข้างหลังแกเนี่ยแกจะกดเท้ากดท้องลง พอดึงท้องก็จะเด้งหลังขึ้นนะจึงเราเห็นว่าผิดกับสุนัขสุนัขกะจะ็จะทำตามแต่แมวจะไม่ทำตามเคยดืด้อมือกับแมวผลพันเอกปิ่นมุทุกันเนี่ยเคยเล่าไว้ล้วก็เคยทดลองนะครก็จริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำพักก็คือดื้อดืดดึงดือดัน อย่าไปนะไปหรือนะดึ ง, ดงไปทางโน้นเขบอกให้ไปทางโน้นก็จะไปทางโน้นหรือด้านก็คือว่าไม่ฟังว่าไม่นอนสอนไม่ฟังไม่ทำตามโบราณท่านพูดดีว่าน้ำรถหัวสากรถไปก็สาหายสาหายไปเรื่อยๆอิประการหนึ่งคือสารัมพระได้แกแข่งดี ลักษณะเด่นก็คือว่าทำความดีให้เหนือไว้แล้วก็มีหน้าที่คือแสดงตนเป็นค่าศึกต่อคนอื่นเพียรทำให้สังคมเหนว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าเด่นกว่าโดยผลที่ปรากฏก็คือว่าจะไม่เคารพน้อมใครเพราะถือว่าตัวเองดีกว่า ช่วชูคล้ายๆกันแน่คล้ายๆกันที่โบราณท่านโลกนิที่บอกว่ามาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบอร่รรมเดโชแชมซ้าพิษน้อยหญิงยะโสแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธิ์ีแล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะมีลักษณะที่เรียกว่าสารมภดคือแข็งดี แข่งดีกับคนนั้นคนนี้แล้วก็พยายามทำให้ดีกว่าเด่นกว่าเพื่อต้องการเอาชนะค้าขานคนอื่นถ้าเป็นการแสดงความรู้ความสามารถนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็แสดงไปเต็มที่เราก็ไม่รู้ว่าใครจะดีกว่าใครหรอกแต่ว่าเราก็ทุ่มเทฝีมือลงไปเต็มที่แล้วก็เป็นการแสดงฝีมือของเราคือแข่งขันกับตัวเอง ไม่คิดจะไปแข่งกับใครแต่นี่คิดจะแข่งคนอื่นคิดจะเบียดแซ่กคนอื่นถ้าตกถนนไปเลยแล้วก็ตัวเองก็ได้เป็นใหญ่ตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันประการต่อไปคือมานะมานะนี่เป็นกิเลสลึกมากนะฮะเพราะว่าคนที่ละมานะได้มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้น คนทั่วไปเนี่ยจะละมานาไม่ได้มานาแปลว่าความถือตัวว่าอาจจะประลบอะไรก็ได้ประลบรูปร่างประลบการศึกษาประลบฐานะทางสังคมประลบตำแหน่งชั้นยศประลบฝีมือประลบความสามารถประลบความฉลาดในด้านใดด้านหนึ่งคือสรุปว่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น แต่นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดอาการอุปกิเลต ข, ข้างต้นเนี่ยมันจะกลับมามันจะมีการดูหมินคนอื่นคืออติบานะแปลว่าดูหมินคนอื่นเช่นว่าเราอาจจะเลิศกว่าเขาในบางจุดแต่ที่จริงเนี่ยเหนือคนอยังมีคนเหนือฟ่ายยังมีความไม่มีใครเก่งที่สุด ให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าที่สุดๆุดเนี่ยมีเฉพาะสามเรื่องเท่านั้นไม่ใช่สุดสุดทุกเรื่องนะหมายความเราพุทธเจ้าเหนือกว่าคนอื่นในด้านปัญญาที่ทำลายอาวิชชาอาวิชชาดับไปเลยเพราะไม่มีใครที่จะดับอวิชชาได้นอกจากพระอาหารหันต์แต่ก็ดับไม่ละเมิดละไมเท่ากับพระพุทธเจ้า เจ้าบริสุทธิ์จากทั้งกิเลสและวาสนาพระอรหันต์ด้านบริสุทธิ์ได้เฉพาะกิเลสแต่วาสนาไม่บริสุทธิ์พระเจ้ามีพระไทยกรอบด้วยกรุณาหุดพ่วงทะเลหลวงเท่านั้นนะฮะเหนือกว่าคนอื่นในหเรื่องในสามเรื่องเท่านั้นไม่ใช่เหนือกว่าเขาทุกเรื่องอทรพบจอมบัติพระเจ้าก็สู้เขาไม่ได้คนอื่นรวยกว่าเยอะเลยแม้แต่นาจาั ก, กรกบิลพัทก็เถอะก็มีคนรวยกว่าพระองค์ แต่ของพระพุทธเจนะ้าน่ะทานั้นมีกิเลสมันไม่เป็นเหตุโอโอวดเป็นการแสดงความจริงตามที่มันเป็นคือพุทศาสนาที่จริงเป็นการแสดงความจริงตามที่มันเป็นความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นขาวก็บอกว่าขาวแดงก็บอกว่าแดงดำก็บอกว่าดำก็ไม่ได้ว่าอะไรความจริงเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นแต่คนที่เป็นมานะเนี่ย มันอาจจะเลิศกว่าเขาคิดว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรียกว่าเขาเราเสมอเขาในบางเรื่องก็คิดว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรียกว่าเขาเราอาจจะอ่อนด้อยกว่าเขาในบางเรื่องแต่คิดว่าเราเร็วกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาเพราะงนพวนี้มันก็ออกมาในหลายแนวแนวหนึ่งก็ได้อตติมันะ อติมานะคือดุมมินยกตนข่มคนอื่นโดยรูปร่างโดยการศึกษาโดยสถานะทางสังคมโดยตำแหน่งโดยชั้นยศโ ด, ดยพวกนี้บางที น, นะคือตามปกติเนี่ยพระเราเนี่ยคือก็จัดไปนั่งที่ไหนก็นั่งได้นะ เพราะว่ามีศีลเหนือกว่าบุคคลเหล่านั้นแม้บรรลังห้องเตนเนี่ยเขาก็นิพันดร์พนั่งได้เพราะพรามีศีลมากกว่าห้องเต้แต่ว่าคนบางคนก็มีมานะจัดเนีขาก็ด่างหรือบางครั้งบางคราวยานภาณะที่คนใหญ่คนโตเคยนั่งเนี่ยพระนั่งไม่ได้นั่งทับตรงนั้นไม่ได้ อ น, นี้คือคือคุณตธิมานะดูมินเพลินไปจนถึงวัา น, นี่คือพระนะพระรูปนี้ถ้าท่านศึกท่านก็ไม่นั่งหรอกแต่ว่าท่านเป็นพระเนี่ยท่านนั่งได้มันก็เหมือนอาสนะของอาลาวกายักษ์เนะี่ยใครนั่งไม่ได้นะ่ะพระธเจ้านั่งได้เราลองสังเกตเราพุทธเจ้าเนี่ยภายใต้ต้นไสรเนี่ยเป็นเจเวบนะฮะเป็นอาสนะที่นั่งเลย ยที่บูชาเทวดาเส้นสวงเทวดาประจันทนไใส่ของคนสมัยพระเจ้าก็ไปทับตั้งกรที่จะเป็นพระ์พระเจ้าเลยซ้าไปที่ต้นโพก็เป็นเจเวิตเพราะว่าเสด็จขึ้นมาถึงแล้วเอายากุศลนิปูราดได้เลยก็แสดงว่าเป็นเจเวิตที่คารุษ ก, กาละต้นไม้ของกเหล่านั้นพระเจ้าก็ไปทับนั่งในแต่ เพราะพระองค์ทรงเหนือกว่าในด้านปัญญาในด้านบริสุทธิ์แล้วก็ด้านความเมตตากรุณาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูหมินนะไม่ได้ดูหมินใครแต่ว่าเป็นผู้ควรแก่อาสนะทรงนั้นเพราะนติมานา ม, นามีลักษณะเฉพาะคือความเยื่อยิ่มีหน้าที่คือความถือตัวว่าเป็นเราจั ผลปรากฏออกมาก็คือหญิงจองหองมองคนด้วยสายตายิงยิงไม่เกียดยกย่องอะไรใครถือว่าตัวเองเหนือกว่าเขาหมดนั่นคืออุปกิณเลยต่อไปมะทะนะมาทะปบปดยบอมเมา เมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคคนจะเมาใหญ่อยู่สามเมาเนี่ยเมาในวัยเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังแข็งแรงไม่เท่าไม่แก่นะยังชีวิตเรายังอีกนานอายุยังน้อยนะในโรคภยัยไข้เจ็บเราไม่มีคือจำเมารสดับเมาเหล่านี้จะทำให้เพิดเพลินลุ่มหลงอยู่ มันก็เหมือนกับในชาดกนะฮะเล่าถึงพระโพธิสัตว์เป็นนกแขกเต้าบินไปดื่มรสหวานของดอกบัวความหอมของกลิ่นบัวนะฮะเพลินจนเมาเลยนนะนั้นเลยตกเย็นดอกบัวมันหุบติดอยู่ในะนั้นทั้งคืนออกไม่ได้เพราะความเมาเนี่ย จนถึงก็มีพูดกันว่าเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่นะแก่แล้วจะเมาบางคนเมารูปอย่างเดียวนะีงใจล่ละเมาสถานะอย่างเดียวเมาตําแหน่งอย่างเดียวเมาชั้นยศอย่างเดียวก็จิตใจก็จะตก ต, ต่ำลงไปก็อาจะลืม ลืมพ่อลืมแม่ลืมบงศากนนายาติลืมอะไรไปหมดเพราะลักษณะของเขาก็คือมีหน้าที่คือความยึดถือตัวด้วยการเมา้นที่การปรากฏออกมาก็คือหลงไหลคลั่งคลายอยู่กับเรื่องแบบนั้นเพราะนี่เราพบว่าคนบางคนนี่แก่นะบางคนได้มารู้จักนี่แก่กว่ามาทั้งสองสามปีนะฮะยังทำสัญญกรรมอยู่เลยทุกัน ยังนึกสงสารกันนะแต่เราก็ไม่กล้าพูดหรอกแต่ว่าเออสงสารมันจะไหวที่ไหนอ่ะมันจะไหวที่ไหนคือร่างกายเนี่ยมันแก่อยู่ข้างในเนะฮะโปเซ็นต่างๆมันลามันมันอ่อนเพรียเราแต่งข้างนอกยังไงเนี่ยข้างในมันก็สุดนะเพรา ะ, ะ น, นความเมาเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เธอตั้งหลายจะมัวเพลิดเพลิพนรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าเนื้อมาโลกกัสสนิวาสเป็นลูกโป่งอยู่ตลอดเวลาพวกเธอที่ถูกความมืดทุ่มหมอกเอาไว้เนี่ยทำไมไม่แสวงหาปัจจีเป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตนั่นคือแบบข้องขลเหมาโลกเราส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นนะให้เราตั้งเกตว่า เรสูญเสียอะไรต่อไม่อะไรไป ม, มากายแกลกองอย่างเวเนียสินค้าภาคเกษตรทั้งหมดขายออกไปต่างประเทศไม่พอค่าน้ำมันที่ใช้เผาพรานกันอยู่ในแต่ละวันเป็นอันตรายมหาศาลที่รออยู่ข้างหน้าแต่เราก็ไม่ได้ปรับตัวเรานะ ไปในสถานที่ราชการบางแห่งในหนาวเยือกเลยนะแล้วเปิดไฟไว้ทุกจุดถามท่านว่าทำไมจึงเปิดทุกจุดอย่างนั้นท่านบอกว่าการเปิดทุกจุดเนี่ยไฟมันจะใช้พลังงานมากเนี่ยตอนสตาร์ทแล้วถ้าคกนไปดับเนี่ย มันเปิดใหม่แล้วตอนที่มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยกว่าจะกระจัดความร้อนดูได้เนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะเพราะก็เปิดที่งี้ตลอดเวลาห้องมีคนอยู่ไม่คนอยู่นี่เย็นยะเยือกเลยไปเล่นสเก็ตฮะไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งไปเล่นอะไรอ ะ, อะรเล่นราอะไรแต่อะไรต่รต า, างๆแข็งต่างๆโอ้มากมายกายกอง แม้แต่มันเชียมันก็เป็นเชียแบบอเมริกันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วก็ไปลอกเรียนแบบพลังมาซึ่งเป็นเมืองหนาวแล้ก็พูกที่มาทํานกิจกรรมเหล่านี้มันก็ฝึกปรือ ก, ก, ก, กันมาอ้นั้นก็คือทั้งเมาทําประมาทนะแล้วก็มาข้อสุดท้ายเนี่ยคือประมาทะที่แปลว่าประมาท ประมาณคือการครองชีวิตโดยขาดสติหรือปราศจากสติไปเลยก็มีท่านบอกว่ามีลักษณะคือการปล่อยจิตไปในเบญจา ก, กามคุณไอเนี้ยคือตัวอมิตรแหละปล่อยกายจิตไปในกามคุณมีหน้าที่กระตุ้นจิตให้ปล่อยจิตมากขึ้นเรื่องสุก็ขาดสติ ก้าสติก็เพลินนะฮะที่เขาเรียกอ่อยเหยื่อเบนจกรรมบางคนก็คือเหยื่ออมิตเดียก็คือเหยื่อที่อ่อยเหยื่อหลอกคนให้หลงก็ด้วยวิธีการาต่างนี่แบบตกเบ็ดนะเหมือนกันนะคือคนเราจะลหลงไหลได้ปลื้มไปเพราะเรื่องเหล่าเนี้ย ม, มีพระรูปหนึ่งท่านคยเดินอ่อยเหยื่ออย่างเนี้ยอาหารวินาบาตธรรมดาเนี่ยโยมก็จัดฉากขึ้นมา มีท่านอยู่คขฤหาดเจ็ดชั้นนะครับปร า, าสรทาทเจ็ดชั้นรับจ้างจากแม่ของพระมาบอยชชยอบายวิธีของผู้หญิงทำยังไงก็ตามขอให้ลูกชายฉันสืกก็ได้และฉันจะยกเธอเป็นสะพายแหละผู้หญิงคนนี้เขาก็ยอด้ะนะไปเศ้าปร า, าสาทอยู่ พระเดินบินบาบนิมนต์ในฉันที่บ้านจนคุ้นน่ะปรนนาว่าให้โยมให้พระคุณเจ้ามารับอาหารที่บ้านโยมประจําไม่ต้องไปที่อื่นสร้างสถานการณ์เนี่ยต้องเลื่อนขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดนะฮะก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆนะฮะกว่าจะหลอกพระขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดได้เนี่ยพอถึงชั้นเจ็ดเนี่ยเกปิดประตูหน้าต่างเลย ปิดประตูนะครับปิดประตูขังไม้พระออกเริ่มใช้วิธีมารยาหญิงท่านลงไว้ในพระคำพีธรรมบทอนะรู้สึกว่าสี่สิบแปดท่าใช้มารยาต่างๆนี่ออกมาสี่สิบแปดวิธีด้วยกันแสดงว่าสังคมมารยาญก้าวหน้าไะเช่นนะี้ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันทำให้เมาอาหารล่อด้ดยอาหารนะครับ แล้วก็การปฏิบัติวัดถะกเป็นอย่างดีดูแลใจใส่เป็นอย่างดีเข้าใจว่าวินัยที่ห้ามพระอยู่ร่วมกับผู้หญิงสองต่อสองสมัยนั้นยังไม่บรรยัญญติคงจะเป็นเหตุการณ์ต้ น, ตนต้นพุทธสมัยเพราะวินัยสิบปีแรกเนี่ยสิบสองปีแรกเนี่ยไม่มีนะวินัยไม่มีพระท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระสารกันหมดมาก็มไม่รู้จะบั ญ, ญัติวินัยให้ใครรักษา ในสุดพอผู้หญิงเริ่มดุรัวเนี่ยพระได้สติจะเริ่มพิจารณาตัวผู้หญิงนั่นแหละแต่พิจารณาอีกแบบทั้งพิจารณาเป็นซากศพไปเลยแล้วก็เป็นอารมณ์ขขงวิจารณาจเจริญวิปาสนาผู้เจ้าประทับอยู่ที่พระเจะวันรับสั่งกับพระอนุ์บอกอานุ์สุนทนสมุดกำลังทําสงครามใหญ่พระอนุ์ก็รู้นะรู้นัยยะ ถาวมว่าใครจะชนะพระเจ้าค่ะพระเจ้าเราสั่งสุนทรสมุติจะชนะในสุดทั้งบรรลุมักผลนะฮะเลื่อนลอยออกทานหน้าต่างมฟาฟาพระพุทธเจ้าที่ประเิศตะวันนี่ก็จะเห็นว่าคนขนาดนี้ยังเผอสติได้ขาดไปได้เพราะฉะั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากพระพุทธศาสนาจึงมาสรุปไว้ที่ความไม่ประมาทเพราะพวก น, นี้ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะขาดสติ แนวไม่ประมาทที่ละเมิดละไมลึกซึ้งเนี่ยมาดูจิตกันในแต่ละขณะเลยระวังจิตอย่าให้กำนัดอย่าให้โรคย้าให้ขัดเคืองอย้าให้ประมาทย้ายหลงอย้าให้เหมาถ้าเขาจะเกิดกิเลสเนี่ยกั้นจิตเอาไว้ค่มจิตเอาไว้ห้ามจิตเอาไว้กั้นจิตเอาไว้หยุดจิตเอาไว้ แต่เราถึงค่าความคิดเหล่านั้นได้คือแต่ว่าทำได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้มีสติสามัญชญญะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นทีนี้พระตถาจารย์นะฮะพระถาจารย์ท่านทันยกตัวอย่างให้ดูแล้วเราก็ศึกษากระบวนการทางจิตของเราดู อย่าเช่นภิกษุที่เป็นนมิธายาทย่อมโกรธคนอื่นที่ได้ลาบเพราะตนเองไม่ได้ความโกรธที่เกิดขึ้นครั้งเดียวของภิกษุผู้เป็นอมิธายาสนั้นชื่อว่าโกรธาอย่างเดียวโกรธาที่เกิดขึ้นมากกว่าครั้งเดียวขึ้นชื่อขึ้นไปชื่อว่าอุปนาหะคือผูกโกรธทีนี้ภิกษุที่เป็นนมิธายาสนั่นแหละเมื่อโกรธแล้วด้วยแล้วก็ผูกโกรธด้วย ยอมลบหลู่คุณของคนอื่นที่มีลาบและถือเป็นคู่แข่งและว่าแม้เราก็ต้องเป็นช้นนั้นให้ได้อันนี้เป็นมักขะคือลบหลู่พอลบหลู่มันก็ขึ้นเป็นปราสาคือตีเสมอของวิสู่รูปนั้นเดี๋ยววิสูรูปนั้นเน่ะที่มีปกติลบหลู่มีปกติตีเสมอดังกล่าวแล้วก็จะเกิดฤทิษยส ย่อมทุสร้ายในลาบและสักการะเป็นต้นของผู้ที่มีลาบนั้นพระภิกษุนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยสิ่งนี้อันนี้เป็นอิสาหริษยาทีนี้ถ้าเธอมีสมบัติบางอย่างก็ทนไม่ได้ที่สมบัตินั้นมีคนอื่นมีส่วนร่วมก็เกิดเป็นความสนิของภิกษุคนที่เริ่มต้นจากอมิธายา เห็นไหมมันมันจะนำปัญหามาเยอะพวกพวกการครอบครองสิ่งที่เราครอบครองน่แล้วก็คล้ายๆกันที่ภาสิจีนก็บอกว่าคนไม่ผิดหร อ, อกผิดที่มียกติดตัวท่านอย่างเงิจึงบอกว่าก็เพราะลาบเป็นเหตุแท้แทเธอย่อมปกปิดโทษของตนที่มีอยู่เสียอันนี้เป็นมายาของวิสุผู้มีอามิตไ ธ, ธายา เธอย่อมอวดคุณที่ไม่มีอยู่จริงอันนี้เป็นสาเธอยะคือความโอ้อวดเธอปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าได้ลาบตามที่ประสงค์ก็เป็นผู้ที่แข็งกระด้างมีจิตใจไม่อ่อนโยนเพราะลาบนั้นเป็นผู้ที่ใครๆไม่สามารถจะว่ากล่าวได้ว่าท่านไม่ควรทากรรมอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมะคือความโหดดือ้อดึงด้ง้ยดันด้วอด้านเนี่นยที่ว่าแล้วทีนี้ ถ้าจะนึกว่าใครมากล่าวอะไรเธอท่านไม่ควรทำคว ร, รมนี้อย่างนี้เธอเป็นผู้มีจิตใจปราลบคํากล่าวนี้ก็ทําหน้านิวคิ้วขมวด ค, มคูดคมคูคุกคามต่างๆก็เป็นการเป็ น, เ ป, นเป็นสารัมพะคือแข็งดีคือลักษณะกิเลสกล่าวโดยสรุปอย่างเนี้ยว่าลักษณะของกิเลสมันก็เหมือนกับธรรมะที่บอกลามนะเป็นการลุกลาม ไปในพวกเดียวกันเนะี่ยเพราะงั้นพวกสิบหกข้อเนะี่ยหรือสิบสี่ข้อในะทีน่นี้หรือทั้งหมดที่ยิงก็สิบข้อนะมันมีพิชาวิสมาโลภะอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกจะมีโลภะอยู่ด้วยนะโลภะอยู่ด้วยมันเกิดได้ในจิตคนอย่างต่อเนื่องกันไปในรูปของกระบวนการ พระ้าจึงทรงสอนไว้ทั้งสองกลุ่มนะกลุ่มที่เป็นกุศลทรงสอนโดยสรุปว่าฉันสมมติความไม่โลภความไม่โลภนั้นเป็นกุศลละมูลคือรากงาวของความดีทั้งหลายทรงแสดงให้เห็นว่าความไม่โลภที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้ว อุปนธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เคยบังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่บังเกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเหตุนั้นควรกระทําบําเพ็ญให้บังเกิดขึ้นพราะมาถึงอกุศลเช่นความโลภความโลภอยากได้ของอบุคคลอื่นมันเกิดเกิดข้อเดียแล้วก็จะทําให้อกุปนธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นที่บังเกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น เห็นนั้นก็สงสอนให้ละกต้องฟังลองตั้งเกิดตังเกตะฮะก็ง่ายเช่นสมมติว่ามีของเขาวางของเขาเาทิ้งไว้หรือวางไว้ไอ่ ไ, ออไม่ทิ้งกันนะพื่อพงของมีค่าเช่นสมมติว่ า, ามีกระเป๋าสตางค์เป็นจำนวนล้านเลยวางทิ้งเอาไว้คนไปเห็นด้วยกันสองคน ถ้าคนสองคนนี้มีความโลภจัดด้วยกันนะฮะต่างคนต่างจะยื้อแย่งกันนะต่อสู้กันแร้วจะตายหมดทั้งคู่อ่ะโดยไม่มีใครได้เลือจะคนหนึ่งตายคนหนึ่งได้ไปคนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งก็เป็นโจรทีนี้ถ้าความโลภมันลดเนะี่ยแต่ว่ายังมีโมหะอยู่เยอะ ไม่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของคนอื่นเมื่อก็อาจจะแบ่งกันสองคนแต่ก็เป็นโจรด้วยกันทั้งคู่นะทีนี้ถ้าหากคนหนึ่งไม่โลภคนหนึ่งโลภคนไม่โลภก็จะห้ามปรามตักเตือนคนโลภก็จะโกรธเกิดโทสะอาจประทุสลายแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนไม่โลภเนี่ย เกนว่าพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเสียแต่มึงทองก็เฉยๆดีกว่าก็หลบไปใช่หไหมยุ่งเกี่ยวไอ้คนนี้ที่มันอยากได้เนี่ยอาจจะกลัวว่านายคนเนี้จะไปเป็นประจักษ์พยานรู้เห็นว่าแกเอาเงินยอดนี้ไปอาจจะตามไปค่าปิดปากก็ได้ไอ้นี่คือเรื่องที่น่ากลัว เห็นมันคล้ายๆก็ททศ ก, กันที่ฆ่านกสดายุเนี่ยเพราะกลัวว่านกสดายุจะปูดเรื่องที่ตัวเองเขโมยนางสีดาไปจะไปข้าวนะ่ะเอาข้าวนกสดายุแต่พอดีไม่ถึงก็ตายนะในการต่อมากระตายตัวอย่างเหล่านี้เป็นเป็นการเชีหยเห็นถึงว่าอาการของกิเลสเนี่ย มันเริ่มที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะเริ่มที่โลกก็ได้เริ่มที่เรัศยาก็ได้เริ่มที่โกลัก็ได้เริ่มเริ่มที่หลงก็ได้แล้วมันเกิดตามกันไปเป็นแถวนานมาแล้วได้เคยคุยกับนายตำรวจผู้หใหย่ท่านหนึ่งทากเกษียณไปแล้วนะก็พูดกันสองคนถามว่าถามจริงๆเถอะในวงตำรวจมีการฆ่ามิดปากจริงไหมมีการฆ่าตัดตอนจริงไหมมีการเก็บเป็นจริงไหม แกบอกว่จริงแล้วถามว่าคุณเคยไหมแกบอกว่าเคยถามว่าทำทำไมคือพอรายงานขึ้นไปนี่เจ้าหน้าท่านขีดเส้นมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงั้นแล้วเป็นการรับรู้กันถามว่าในกรณียาบ้าเนี่ยมีการฆ่าตัดตอดไหมแกบอกว่ามีามาทำตำรวดทําเองเ่ยทำ ถ, ถามว่าทำท ำ, ทำไม ราะจริงยาบ้าถ้าเราไม่ฆ่าเราจับแล้วก็สามารถที่จะใช้สืบสาวหาต้นตอที่ไปที่มาได้แต่แกพูดแล้วน่ากลัวนะแกพูดบางทีว่าคนใหญ่คนโตนันกการเมืองหรือข้าราชการผู้ใหญ่เนะี่ยมีส่วนอยู่ด้วยอยู่เบื้องหลังเรื่องตรง น, นี้คือถ้าจริงเนี่ยนะ เราผิดหวังสังคมไทยเนกะือถ้าหาคนสุจริตไม่ได้อย่างนี้แล้วก็อันตรายมากเลยคนเราอยู่ตำแหน่งยิ่งสูงนี่คุณธรรมต้องสูงตามนะฮะถ้าต่ำเป็นมหาโจรในชุดสูตรอย่างนี้แล้วอันตรายมากเลยแต่พอเรามองในมิติแห่งธรรมะเนี่ย เราจอเห็นว่าจิตใครเนี่ยไม่สำคัญหรอกถูกปรุงด้วยกิเลสหรือปรุงด้วยธรรมะถ้าจิตมันปรุงด้วยกิเลสมันไม่ไม่ได้คิดหรอกเพราะในที่สุดเนี่ยมันอยู่ในสภาพของไก่เห็ดตีนงูเห็นยนงไก่คือทำอะไรกันไม่ได้ยกตัวอย่างในกรณีครองดานเนี่ยอย่าลืมผ่านมาหลายสัฐบันนะ ทาไปทำมาเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องกระทบฟังแล้วก็มีข้าวว่าจะหมดอายุความเพราะปา ป, ปชถูกสารตรัดสินหมดสถานภาพไปกว่าจะได้สรรหาอะไรๆได้เนี่ยก็คงหมดพอดีนะะนี่คือสิ่งที่เลวร้ายทึ่งปรากฏอยู่ภายในสังคมเป็เรื่องที่น่ากลัวแต่เราควรมองคนเหล่านี้ด้วยความสงสาร พราะเขาที่ยิงเขาคือทาตเป็นทาตของกิเลสแล้วเขาอยู่ไม่สงบหรอกแล้วตายไปก็มีทุกขติเป็นเบื้องหน้าเพราะการเป็นธรรมทายาทเนี่ยเป็นการหวังได้ว่าเราจะอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันตายไปแล้วเนี่ยปิดประตูนรกได้ไม่กลัวต่อภัยในนรกเพราะว่า คุณภาพจิตเนี่ยมันได้ยกขึ้นเหนือระดับของความของกิเลสที่แรงๆนะซึ่งก็หมายความว่าอยู่ระดับอย่างน้อยก็ระดับสินธรรมจัญญาได้แล้วคนเหล่านี้ตามปกติแล้วพู้เจ้าจะทรงแสดงว่าไม่หลงตายแล้วก็ตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติท่านฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิจารยสศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี